บทภาชณีติกะรปาจิตตี959กรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สลักต้องอบัติปาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีไม่ได้ใจไม่สลักต้องอบัติปาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่สลักต้องอบัติปาจิตตีติกะทุกกฎ กรรมที่ทําไม่ถูกต้องพิกชนีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําถูกต้องต้องอบวบทุกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องพิกุนีไม่แน่ใจต้องอบวบทุบกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องพิกุนีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องต้อง